ตอนที่สิบทรงประกาศพระธรรมนั่งริมทานครุ่นวิจารณ์การเกิดดับเปลี่ยนปุกปรั บ, บสายทาน พยานไหลเกิดไอเยน็นฟ้องฟุง้งจะรุงใจดับร้อนได้โดยไม่ต้องลองอาบกินอีกทางหนึ่งตะลึง แ, แลแน่ใจนักถ้าใครผลักตกลงคงแดดินกระทบก้อน หินผาใต้าวารินแล้วจะสิ้นชีพไปในวังวนมานึกดูเปรียบดังสังสารวัตรดูผาดผาดหน้ากระหวัดในลาบผลที่ซ่อนอยู่ในทุกปลุกใจคนให้ยอมทนทุกยาก บากบันไปจนได้เกิดแก่ตายในวัฏตะไม่มีศัพ์ใจสางอย่างไหนไหนใครมองเห็นจงระวังยั้งจิตใจอย่าให้ไพล่พลัดตกนรกวนกินเหยื่ออย่าติดเบ็ดกลเม็ดมี เดินให้ดีไม่ตกท่อถนนเดินไปได้แสนสบายไม่นานดลดื่มสุขบนฝั่งทานสำราญเอ่ยในขณะนี้พระองค์มีอาการเหมือนบุคคลที่พยายามว่ายน้ำฝ่ากระแสคลื่นลมมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งลุถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยแล้วลงนอนพักเพื่อบันเทาความเมื่อยล้าของแขนขาอยู่ครู่หนึ่งจึงยืนขึ้นมองไปยังกระแสน้ำที่พระองค์ไหว้ข้ามมาด้วยการต่อสู้กับพยันตรายนาน า, นาประการจนถึงฝั่งด้วยความสวัสดีหรือเปรียบบุคคลที่ไต่เขาอันสูงชันด้วยความยากลาบากครั้นถึงยอดเขา ซึ่งมีอากาศเย็นสบายก็ลงนั่งพักเหนื่อยสบายกายสบายใจในทิวทัศน์รอบข้างแล้วก็มองดูแผ่นดินอันร้อนระอุเต็มไปด้วยอากาศอันอึดอัดอบอ้าวเบื้องล่างที่ได้ภาคเพียนฝ่าฟันมาด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบัดนี้พระองค์ได้ประสบความสำเร็จแล้วท่ามกลางความเงียบสงัด ในป่าแห่งตะบนอุรุเวลานั่นเองรู้สึกว่าหน้าดูอยู่เหนือเมฆแสนวิเวกสุขใจดังในฝันเมื่อเมฆนอกเมฆในไม่ผัวพันเป็นสุขครัน สิ่งใดไม่มีปานนั่งเหนือเมฆแล้วบางคนยังก่นเศร้าอะไรเล่าติดมาลองว่าขานหรือเงินทองติดตังทั้งการงานก็ตามมารังควานเป็นฐานไฟเห็นไม่เล่าเมฆนอกยังหลอกลวง ถึงใครล่วงเลยได้ก็ไม่ไหวยังไม่พ้นทุกทนมนหมองใจพ้นเมฆในจึงจะเอกวิเวกจริงดูป่วยการที่จะผ่านเพียงเมฆ ก, กายไม่ทุกทนมากมายดอกชายหญิงส่วนเมฆจิตปิดบังควรชังชิง ยิ่งกว่าลิงหลอกเจ้าทําเราเพลียอันเมฆ ก, กายที่จะกลายเป็นเมฆจิตก็เพราะความคุณคิดจนจิตเสียถ้ารู้เท่าทันทั่วไม่งัวเงียหยุดนัวเนียก็เย็นเหลือเหนือเมฆเอย่ย เมื่อพระองค์ประสบชัยชนะในสงครามอันโหดร้ายนี้แล้วได้เสด็จไปพักผ่อนเสร ว, วิมุตติสุขคือความสุขอันเกิดจากความรอดพ้นในการต่อสู้กับกิเลสและเมื่อทรงลิ้มรสของสานติธรรมที่ได้ทรงประสบณพนะายใต้ต้นไม้แห่งชัยชนะคือต้นโพนั้นจนเป็นที่พอพระไทยแล้วก็เสด็จไปยังต้นไซ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งเด็กเลี้ยงแพะใช้เป็นที่นั่งพักรรอนและเฝ้าฝูงแพะในเวลากลางวัน mm hmm. ขณะเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณที่นั้นเผอิญมีพราหมณ์คนหนึ่งผ่านมาทักทาย และตั้งคำถามแก่พระองค์ว่าท่านโคโดมอะไรที่ทำคนให้เป็นพรามอย่างแท้จริงได้คุณสมบัติอะไรบ้างที่เขาจะต้องแสวงหามาใส่ตนเพื่อทำให้เขาเป็นบุคคลแห่งวันณะสูงอย่างแท้จริงด้วยความเย่อหยิ่งถือตัวของพรามผู้นั้นจึงเรียกชื่อสกุลของพระองค์ตรงๆไม่ยอมใช้คำนำหน้าว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระคุณเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่ได้สนพระไทยในความอวดดีนั้นทรงตรัสตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าพรามที่แท้จริงคือผู้ผที่ลอยบาปทั้งหมดเสียได้ล ะ, ละความเย่อหยิ่งได้สำรวมตนได้ไร้มนทินรอบรู้ <พอ S 1> แล ะ, และประพฤต พรมจรรย์นคนเช่นนี้เท่านั้นที่ควรเรียกว่าเป็นพรามได้เพราะเขาเป็นผู้ที่ไม่ประพฤติแบบชาวโลกอีกสือไปพรามผู้นั้นได้เดินหลีกไปพร้อมกับบ่นพึมพำว่าพระสมณะโคดมรู้เรื่องในใจของเราสองสามวันต่อมาขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ยังทรงประทับที่โคนไม้ของเด็กเลี้ยงแพะนั้นได้มีพ่อค้าต่างถิ่นสองคนผ่านมาเห็นพระองค์ประทับอยู่ด้วยอาการสงบและอิ่มเอิบหน้าเลื่อมใสเขาได้น้อมนำอาหารอันประณีตเข้าไปถวายด้วยเหตุแห่งความจับใจในถ้อยคำและพระลักษณะอันสง่างามของพระองค์ เขาได้ทูลขอร้องให้ทรงยอมรับเขาเป็นสาวกด้วยเหตุนี้พ่อค้าสองคนผู้มีนามว่าตะปุตสะและพัน ล, ลิกะจึงเป็นสองบุคคลแรกซึ่งได้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเมื่อทรงพักผ่อนเสวยวิมุตติสุข จนพอพระไถยแล้วจึงทรงคิดเผยแผ่สิ่งประเสริฐที่พระองค์ค้นพบแล้วนี้ให้คนทั่วไปได้รู้และได้รับประโยชน์บ้างแต่แล้วก็ทรงท้อพระไถยว่าธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรูน้นี้เป็นเรื่องลึกซึ้งมากยากที่คนเห็นแก่ตัวจะยอมเข้าใจเพราะเขาชอบ กันแต่สิ่งที่จะทำให้สนุกเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสอนไปก็จักเหนื่อยเปล่าแต่ด้วยพระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อชาวโลกกลับทรงดําริเสียใหม่ว่าไม่ได้เราจักไม่ทำเช่นนั้นเราจกต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้เพื่อคนทั้งหลายได้รู้ ได้เข้าใจถึงความจริงอันประเรสริฐสี่ประการนี้คนที่ฟังแล้วเข้าใจคงพอจะมีอยู่บ้างบุคคลที่มีกิเลสเบาบางมีทุลีในดวงตาน้อยก็ยังมีอีกมากที่อาจเข้าใจเหมือนกับบัวหลายๆชนิดที่เกิดอยู่ในสระมีสีชมพูบ้าง น้ำเงินบ้างขาวบ้างซึ่งส่วนมากมีดอกอ่อนโผล่ขึ้นมาจากกอพอพ้นจากโคลนบ้างขึ้นมาได้ครึ่งทางระหว่างพื้นดินกับผิวน้าบ้างถูกสัตว์กินเสียก่อนจะได้บานบ้างส่วนที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำรับแสงแดดเบิกบานอยู่นั้น มีจํานวนน้อยกว่าก็จริงแต่ก็ยังมีอยู่ข้อนี้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นทรงตกลงพระไทยที่จะเสด็จออกประธานธรรมะที่ทรงค้นพบแก่เขาเปรียบพระองค์ดุดลูกไก่อ้วนพีตัวแรกที่แข็งแรงจนสามารถเจาะและสลัดเปลือกที่หุ้มห่อฟองไข่อยู่นั้น ให้พ้นตัวออกไปได้แต่ก็มีลูกไก่อีกจำนวนไม่น้อยที่หมดแรงดิ้นรนให้พ้นจากใยเหนียวขดงอไม่พ้นตายอยู่ในกระเป๋าแห่งฟองไข่นั้นพระองค์จักเป็นพี่เลี้ยงคอยให้กําลังใจแก่ลูกไก่ตัวต่อต่อไป พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระลึกถึงอาจารย์เก่าของพระองค์เป็นคนแรกคือพระดาบทรอาลารกาลามะซึ่งมีความรู้คิดเฉลียวฉลาดและมีความบริสุทธิ์ง่ายที่จะเข้าใจได้รวดเร็วแต่ก็มีผู้แจ้งข่าวว่าท่านอาลารดาบทได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วพระองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์อุทธธกรดาบท ผู้มีสติปัญญาพอที่จะรู้ธรรมนี้โดยง่ายเป็นอันดับต่อมาแต่ก็ได้ทรงทราบว่าดาบทผู้นี้เพิ่งถึงแก่กรรมเมื่อคืนที่แล้วนี้เองพระองค์ทรงระลึก ค, ค้นหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับฟังคำสั่งสอนเป็นคนแรกในที่สุดทรงระลึกถึงนักบวชห้ารูปที่เคยอยู่เฝ้าปรนิบัติพระองค์ เมื่อทรงบำเพ็ญตะบะทรมานกายนั้นครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบว่าบัดนี้นักบวชทั้งห้าไปอาศัยอยู่ในป่าอิสิตปตนะมิขทัยวันใกล้เมืองพาราณสีก็ได้เสด็จจากตำบลอุรุเวลาตรงไปยังเมืองพาราณสีซึ่งมีระยะทางถึงร้อยห้าสิบไม่เสด็จโดยพระบาทเป็นลำดับลำดับ จนในเย็นวันหนึ่งก็ถึงที่พักของปัญจวัคคีนั้นเนมื่อนักบวชห้า <knew of the scratch> รูปเห็นพระองค์เสด็จมาแต่ไกลก็กล่าวแก่กันและกันว่าดูโนนพระสมณะโคตมะผู้มักมาก ผู้ละความเพียรกำลังเดินตรงมาที่นี่พวกเราอย่าพูดด้วยอย่าออกไปต้อนรับและแสดงความเคารพใดๆอย่ารับบาทรรับจีวรเราเพียงตั้งอาสนะไว้ตรงนี้พื้นหนึ่งก็พอถ้าท่านอยากนั่งก็นั่งถ้าท่านไม่นั่งก็ให้ท่านยืนใครที่ไหนจะอยากต้อนรับ คนที่ไม่มีความแน่วแน่เช่นท่านผู้นี้แต่ครั้นเมื่อพระองค์ดำเนินใกล้เข้ามานักบวชทั้งห้าได้สะดุดใจในพุทธลีลาอันสง่างามบ่งความสูงส่งด้วยพุทธลักษณะอันประเสริฐอย่างที่เขาไม่เคยเห็นและไม่เคยนึกมาก่อนต่างมีความตื่นเต้นจนลืมข้อที่นัดหมายกันไว้ได้พากันกระทาทุกอย่าง ตามที่ตนอยากจะทำในบัดนั้นบางคนรีบเดินไปถวายความเคารพถวายการต้อนรับบางคนรับบาดรับจีวรของพระองค์ด้วยความนอบน้อมบางคนรีบเร่งเตรียมอาสนะเสใหมเป็นพิเศษและบางคนรีบไปหาน้ามาชาระพระบาทเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับบนอาสนะนั้นแล้ว ทรงตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเราได้พบหนทางแห่งอมรุตธรรมแล้วเราจะบอกจะแนะให้ท่านถ้าท่านศึกษาและปฏิบัติตามที่เราบอกไม่นานเลยท่านจะรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้า แต่จักรู้ในชาตินี้ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเข้าถึงสิ่งซึ่งอยู่เหนือความเกิดและความตายได้ด้วยตนเองเป็นธรรมดาที่นักบวชทั้งห้ามีความฉงนใจเป็นอันมากเขาได้กล่าวแก่พระองค์ว่าเพื่อนโคตรมะ เมื่อครั้งท่านบำเพ็ญทุกกรรกิริยาอย่างเคร่งครัดเช่นนักบวชทั้งหลายประพฤติกันอยู่ทั่วชมพูทวีปจนพวกเรายกย่องและนับถือท่านเป็นอาจารย์ท่านก็ยังหาได้บรรลุธรรมที่ท่านต้องการไม่ท่านกลับละความเพียรหมุนไปหาความสะดวกสบายอย่างคนมากๆ ม, มาบัดนี้ท่านจะกล่าวว่าท่านบรรลุธรรมแล้วได้อย่างไร แม้พระองค์จะได้ทรงขอร้องคนเหล่านั้นให้ฟังคำบอกเล่าของพระองค์เช่นนี้ถึงสามครั้งเขาก็ยังไม่สามารถจะปลงใจเชื่อพระองค์ทรงเพ่งจ้องใบหน้าของคนเหล่านั้นอย่างเอาจริงเอาจังพร้อมทั้งตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังอีกครั้งลองนึกดูให้ดีๆว่าตลอดเวลา ที่ท่านเคยอยู่กับเราเราได้เคยบอกท่านทั้งหลายว่าเราได้บรรลุวิชชาและญาณอันสูงสุดอันทำให้อยู่เหนือความเกิดและความตายเช่นนี้บ้างหรือเปล่าลองนึกดูนักบวชทั้งห้าได้ตอบว่า เป็นความจริงที่พระองค์ไม่เคยตรัสคำเช่นนี้แก่พวกเขามาก่อนเลยพระองค์จึงตรัสต่อไปว่าดังนั้นในเมื่อเราได้ยืนยันว่าเราได้ถึงหนทางแห่งอมรุตธรรมแล้วจริงๆก็จงฟังให้รู้ว่าเราได้พบอะไรและอย่างไรเสียก่อนจะดีกว่า พระองค์ได้ตรัสถ้อยคําเหล่านี้อย่างองอาจและตรึงใจในขณะที่ตรัสก็ทรงทอดพระเนตรไปยังปัญจวัคคีทั้งหด้วยความเมตตากรุณาอย่างซื่อตรงบริสุทธิ์จนนักบวชเหล่านั้นหมดความสงสัยได้ขอร้องให้ประทับอยู่เพื่อสอนเขาด้วยสิ่งซึ่งพระองค์ทรงค้นพบคําสอนเรื่องแรกที่พระองค์ได้สอนเขานั้น เรียกว่าปถมเทศนาหรือธรรมจักกปรวัตนสูตรว่าด้วยอริยสัจสี่อย่างและมักมีองค์แปดประการยังผลให้นักบวชโกนธัญญะมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเป็นคนแรก พระองค์ได้ทรงสอนนักบวชทั้งห้าซึ่งเคยเป็นสิทธิ์เก่าของพระองค์ด้วยธรรมที่พระองค์พึ่งตรัสรู้มาใหม่ๆทุกๆวันจนครบท่วนโดยทรงสอนนักบวชสามคนในขณะที่นักบวชอีกสองคนออกไปบินทบาทมาเลี้ยงกันพลัดเปลี่ยนไปโดยธรรมนองนี้ ตลอดเวลาอย่างผาสุกเพราะเหตุที่ได้อาจารย์ซึ่งประเสริฐสุดในโลกนักบวชทั้งห้านั้นก็รู้ถึงธรรมดังที่พระองค์ทรงบรรลุเขาได้ประสบผลชั้นสูงสุดคือนิพพานได้ในภพทันตาเห็นนี้เองซึ่งเป็นพระอรหันต์ห้าองค์แรกในโลกคือ พระโกณทัญญะพระพัทธิยะพระอัศชิพระวัปปะและพระมหานามะคำสอนที่ทำให้ท่านเหล่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งห้าองค์นั้นเรียกว่าอนัตตลักนณสูตร เมื่อพระองค์ยังประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะนั้นมีชายหนุ่มลูกเศรษฐีแห่งเมืองพราราณสีนี้คนหนึ่งชื่อยัสะซึ่งบังเอิญเขามีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระองค์เขาพอใจอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงผลของการปฏิบัติธรรมนั้นจนถึงกับขอบวชและอยู่อาศัยกับพระองค์เพื่อศึกษาและปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น และในเย็นนั้นเองมีเศรษฐีสูงอายุมาเฝ้าพระองค์และทูลว่าลูกชายได้หายจากบ้านตั้งแต่เช้าเข้าใจว่ามาทางนี้มารดาเขากำลังร้องไห้คร่ำครวญว่าเขาอาจถูกฆ่าตายเสียแล้วในถิ่นนี้ทรงตรัสให้เศรษฐีผู้นั้นทราบว่าลูกของเขาปลอดภัยไม่ต้องห่วง และพระองค์ได้ตรัสรมอันเหมาะสมให้เศรษฐีผู้นั้นทราบว่าธรรมะนั้นวิเศษเพียงไรลูกชายจึงพอใจถึงกับขอบวชในที่สุดแห่งการตรัสเศรษฐีมีความพอใจและเลื่อมใสได้ประกาศตนเป็นอุบาสกรับถือธรรมะของพระองค์เป็นสรณะไปตลอดชีวิตเขาได้ทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระยัสส ผู้บุตรไปฉันอาหารบิณฑบาต ท, ที่เรือนของเขาในวันรุ่งขึ้นต่อจากนั้นเพื่อนสนิทของพระยสะัะอีกสี่คนก็ได้ออกบวชตามและได้มีคนหนุ่มอีกจำนวนมากพากันบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ปาอิสิ ป, ปตานะ น, นัน้นรวมด้วยกันทั้งหมด60สบรูป ทุกคนล้วนมีชาติสกุลดีมีความภาคเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาไม่นานทุกคนก็ได้ลุถึงวิชาและยานอันสูงสุดด้วยตนเองและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทุกคนครั้นทรงแน่พระไถยว่าพระสาวกของพระองค์ทุกๆรูป เรียนรู้และปฏิบัติได้ผลครบถ้วนแล้วจึงทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกท่านได้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงท่านจงจาริกไปในที่ต่างๆเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนบางพวกที่ยังมีทุลีน้อยคือกิเลสตัณหาอย่างเบาบาง หากเขามีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้แล้วเขาจักได้รับประโยชน์จากพ้นทุกทั้งปวงได้เช่นเดียวกันเธอทั้งหลายจงช่วยกันแสดงธรรมอันไพเราะอันงามทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในเบื้องปลายจงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งคำอธิบายและหัวข้อแต่อย่าไปในทางเดียวกันเป็นหมู่หรือเป็นคู่จงกระจายกันไปในทิศ ต, ต่างๆสายละหนึ่งรูปเพื่อธรรมะนี้จะแพร่หลายไปได้ไกลและรวดเร็วแม้เราเองก็จักไป ภาษา v o เหล่านี้โดยที่แท้แล้วท่านเป็นคณะเผยแผ่ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างฉับพลันทันทีที่ได้บรรลุธรรมนับเป็นพวกแรกที่สุดที่โลกได้เคยเห็นทุกองค์มีความกล้าหาญออกทําการเผยแผ่ศาสนาของตนของตนในถิ่นต่างๆอย่างโดดเดี่ยวทั้งทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกและทางตะวันตก นับเป็นพระสาวกรุ่นแรกในโลกที่ได้สนองพระพุทธประสงค์และแล้วเสียงแห่งสัจธรรมของพระพุทธศาสนาก็เริ่มขจรขาจายตามวงล้อธรรมจักรที่หมุนไป